คนไม่มีธรรมะเนี่ใจจะหิวโหยจะขาดอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่แท้จริงในชีวิตไม่ได้เก็ดิ้นรนไปเรื่อยๆหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะมีความสุขหวังว่าทาอย่างนี้แล้วจะสุขทาอย่างนี้แล้วจะสุขถ้าได้เจออย่างนี้ได้เจอคนนี้จะสุขได้พ้นจากคนนี้ได้พ้นจากสิ่งนี้แล้วจะสุขนะใจมันคอยคิดแต่เรื่องอย่างนี้เรื่อย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 ก็ลำบากไปอีกแบบหนึง่งแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเงินเดือนจะใช้อะนะเรว่ความแล้วมันหาความสุขจริงๆไม่ได้นะยังบุญบุญมากๆเลยใจมันชอบภาวนาชอบมาตั้งแต่เด็กเดกเมื่อปีศนะูนย์สองายุเจ็ดขวบท่พ่อยมพ่อนะตอนนุ่พ่อก็เด็กเดกแหละพาไปกราบครูบาอาจารย์ท่านพ่อหลีวัดอโสการาม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 กิเลสหยาบหยาบยังละไม่ได้เลยนะยังถูกกิเลสหยาบครอบงำหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนหลวงพ่อคนหนึ่งเป็นคนมีปัญญามากนะเจริญปัญญาแถมชอบเรียนอภิธรรมนะเรียนจนจบเลยปริเฉษ ท, ที่9้าจบแลเก่ง mm hmm. เรียนเก่งเรียนมากนะวันหนึ่งไปโกรธคนขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปตบเขาหลวงพ่อว่าเฮ้ยไปตบเขาทำไมบอกตบด้วยจิตว่าง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 การเจริญปัญญาของเราเใช้วิพัชนวิธีจับแยกเหมือนอย่างเราเห็นว่ามีรถยนต์หนึ่งคันรถยนต์มีจริงๆเนี่เราเห็นอย่างนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นความเห็นผิดมันมีจริงมันมีโดยสมมุติแต่มั น, มนไม่ใช่ของแท้รถยนต์เป็นสิ่งที่ประกอบมาจากอะไรชิ้นเล็กชิ้นน้อยจํานวนมากนี่ยถ้าเราอยากเห็นความจริงนะเราลองดูซิอะไรเป็นรถยนต์นะ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 รถยนต์ไม่ได้มีจริงหรอกมันมีขึ้นมาเพราะว่ามีอะไรจํานวนมากมารวมกันอยู่แล้วเราเข้าไปหมายเราเข้าไปสําคัญว่า น, นี่คือรถยนต์นะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็เหมือนกันสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นไม่มีจริงหรอกนะเราลองจับมาสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามาถอดออกเป็นชิ้นชิ้นนะร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่ง ความปรุงแต่งท <floor. S 1> ี power, ่เป็นกุศลความปรุงแต่งที่เป็นอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนีถ้าเราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเราจะเห็นความจริงร่างกายนะอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรานะถ้าเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกกันอยู่แล้วก็เราจะเห็นว่าเวทนาคือความสุขทุกข์ความเฉยๆทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเรา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 ถึงว่าหนึ่งจิตมันปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้มันเห็นนะทั้งกายทั้งใจมีแต่ของไม่เรี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะมันปล่อยมันไม่ยึดถือแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขที่สุดเลยมีอิสรภาพนะจิตหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจยึดถือรูปหรือยึดถือนามนะเรียกว่าเข้าถึงบิมุติความหลุดพ้นนะจิตใจจะเห็นนิพพานนิพพานมีอยู่แล้วนิพพานมีอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่จิตที่หลงอยู่กับความปรุงแต่งไม่เคยเห็น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 กนะ็จิตหลงไปคิดหน้าตาเป็นอย่างนี้เองมาพุโทโธพุโทโธอีกหลงไปคิดท่านี้ไม่ทันรู้ทันหลงไปคิดเรื่องนี้แล้เกิดความโลภมีสติเราไปรู้ทัน อ, อีกหรือโอ้นี่โลภเกิดขึ้นแล้วนะี่จิตจําสภาวะของความโลภได้ตอไปความโลภเกิดนะสติก็เกิดเองบางทีหลงไปคิดแล้วก็รู้ไม่ทันนความโกรธเกิดขึ้นแลเกินะดรู้ทันว่าจิตกําลังโกรธอยู่เอาความโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้เองจิตจําสภาวะของความโกรธได้แม่นะ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 เมื่อจิตไม่ถูกกิเลส ล, ลากเข้าไปไม่ถูกนิวรลากเข้าไปจิตก็งสงบสิจิตก็ตั้งมั่นเห็น <_' S 1> ไหมดูจิตแล้วมีสมาธิขึ้นมาเ <_' S 1> มื่อปีสอหนะปลายปลายปีหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลเป็นครั้งที่สนะครั้งที่สากับครั้งที่1นึไปช่วงเดนมาร์กนะช่วงมาคาบูชาใกล้ๆมาคาบูชาครั้งที่สองไปช่วงใกล้ๆวิสาขะนะแล้วครั้งที่สเนี่ยหลังจะออกพรรษาแล้วไปไปส่งกันบ้านท่าน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 คอยรู้ทันจิตใจของเราเรื่อยไปนะกิเลสช่วอย่าพครอบงำไม่ได้ไม่ไปอธรบายละก็ก็กะว่าจะปฏิบัติแบบนี้ตลอดนะครับแต่ว่าเนื่องจากไม่มีครูบาอาจารย์สังเกตดูตรงนี้จิตของเราตั้งมั่นจริงไหมขณะนี้จิตตั้งมั่นไหมดูออกไหมอ๋อตอนนี้ไม่ everyday, <iej Una. S 1> ไม่ไม่ไม่ตั้ง <satisfaction> มั่นนะเพราที really, <of> <years> ่ควรครับตอบถูกนะครับเวลาตั้งมั่นเนี่ยตั้งขึ้นมาเองหรือตั้งเพราะเราประคองไว้อ่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 รู้ไปแล้วสบายสบายมีความสุขนะแล้วก็สติเกิดบ่อยเนะี่ยเอาอานนั้นนะเราอยากจะถามหลวงพ่อคือสงสัยเมื่อเมื่อในอดีตไม่ใช่ในอดีตเมื่อตอนผมเด็กๆอยู่อืตอนนั้นยังไม่มีความรู้อะไรก็นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็มีญาติกันเอาหนังสือของหลวงพ่อเทียนมาให้ฝึกนะครับก็ฝึกตอนนั้นตอนนั้นคือเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็ฝึกไปตอนเด็กๆไม่ไม่ทราบอะไรทั้ทงนั้น จากนั้นก็เห็นเห็นเห็นความเป็นตัวตนเราอะ่ะหลุดหลุดออกไปแล้วก็แล้วก็คือตัวตนแยกต่างหากหและอีกอันหนึ่งอะไรก็ไม่ทราบาก็ก็มองเห็นอยู่ชัดแล้วเราก็ตกใจคิดว่าเกิดอะไรขึ้นก็พยายามวิ่งกลับไปหาตัวตนแล้วก็อ๋อ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 ทีแรกก็เดินดูร่างกายนะครับแต่ว่าก็ทิปก็จะคิดคือบริกรรมสมาอรหังสมาอรหังมันก็ไม่ทราบว่าจะเดินดูร่างกายหรือว่าดูาสมมาอรหังไปด้วยมันคล้ายเป็นวิหารธรรมสองอย่างนะครับสองอย่างมันก็เยอะไปนะเหมือนเอาเชือกหลายเส้นมามัดมากไปเอาเส้นอันหนึ่งก็พอครั บ, รบก็ตอนเช้านะครับก็เดินโยกรมไปกับ ฝังสุดทางเตียงโคมจะเป็นหน้าต่างตอนเช้าก็มีผ้าม่านปิดนะครับอเดินเดินไปเหมือนกับเห็นลักษณะเหมือนเป็นภาพหน้าต่างเป็นสัดๆนะครับไม่ทราบว่าเราเห็นรูปเห็นรูปแบบเป็นจักขูปวิญญาณจิตเกิดดับหร่ใช่เห็นจริงหรือว่าเป็นอุปทานเห็นจริงสิเห็นจริงสินะเรายังไม่เคยเห็นเราลึกไม่ออกอยู่ๆเห็นปั้วออกมานั่นแหละของจริงัผมมแต่หลังจากนั้นถ้าอยากเห็นจะไม่เห็นอีกแล้ครับผมเราจะบอกว่าคืออยากเห็นมันก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นหรอกความอยากมันเกิดสติไม่เกิด เจตนาขึ้นมาก็ไม่เห็นนะครับนั้นโลภะมันเกิดแล้วจะไปเห็นความความความอยากที่จะเห็นตามมาทีหลังนะครับอแล้วก็อีกอีกครั้งนั่ก็คือเห็นแบบลักษณะเดินไปแล้วเกิดคันที่ขาแล้วก็เมืยไปเก่านะครับแล้วเหนื่อยหน้าขึ้นมามันไม่เหมือนอมันไม่จะเท่าแล้วแต่มันจะเป็นกระพริบทีๆมากเลยนะครับอย่างนั้นเราเห็นรูปมันเกิดดับอยู่ครับทําไปอย่างนี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมได้ใช้ได้ไปทําอีกนะอคนตอบไปของคุณที่ส่งก่อนะที่ใส่แว่น อย่าปล่อยจิตให้อ้อยสร้อยอ้อยิงอย่างนั้นนะไม่ดีถ้าฝึกอย่างนั้นจิตอ่อนแอนะย้ำเร้าความรู้สึกเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะอ่อนไปนมาส ก, การหลวงพ่อครับอยากเรียนถามนิดหนึ่งครับว่าที่ว่าทำในรูปแบบแล้วก็วิหารธรรมแล้วก็ทำสมถะเนี่ยมีแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรครับหลวงพ่อใช้ภาษาหลายแบบนะจริงก็คือทําสมถะ แล้วก็หัดดูสภาวะไปการที่เราหัดดูสภาวะเนี่ยยังไม่ขึ้นมีปรสนาจริงอ่ะนะเห็นตัวสภาวะเนี่ยยังเป็นแค่สมถะอยู่งั้นเราทําในรูปแบบเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมีเครื่องอยู่ <Okay. S 2> นะให้แค่จิตมีเครื่องอยู่จิตนี้ไปแล้วเรารู้เพราะเรารู้ทันจิตเข้ามาอยู่ที่กับเครื่องอยู่ตัวนี้ยได้สมถะละนะในขณะเดียวกันพระจิตไหลไปเรารู้ไหลไปรู้เรารู้ทันสภาวะของจิตด้วย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 กลายเป็นว่ามันเกิดโทสะขึ้นมาค่ะโทสะเ<ช>พราะ<ช>อะไรเพราะเราไปบีบบังคับมันจิตเหมือน<ช>เด็กน ะ, <ช><ฮ>ะไม่ชอบให้ใครบ <ฮะ S 2> ับงคับไม่อยากไปบังคับเราสวดมนต์สวดเล่นๆเด็กถ้าสวดมนต์เราไม่สบายใจเราไปทําอย่างอื่นที่มันสบายใจนะเช่นอ่านพระไตรปิฎกอ่านเรื่องของพระพุทธเจ้าสมมติถ้าชอบอ่านน ะ, <ฮ>ะอ่านอ่านไปแล้วใจมีความสุขขึ้นมาเมื่อไรใจมีความสุขในอารมณ์ที่เป็นกุศลนะจิตจะสงบตั้งมั่นขึ้นมาหลวงพ่อเมื่อก่อนทํางานหนักๆนะเครียดมากๆนะ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 เราอย่าปฏิเสธปัญหาถ้าเมื่อไรเราปฏิเสธปัญหาเช่นเราเกิดไม่สบายขึ้นมาแล้วเราไม่ชอบเลยเนี่ยเรายิ่งทุกข์มากขึ้นนะเรามีปัญหาตอนนี้ตกงานไม่อยากตกงานนี่ทุกข์มากขึ้นมเพราะนั้นปัญหาเนี่ยมันจะไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะถ้าใจเรายอมรับได้คุณค่ะกรรมวัสมุสการหลวงพ่อเจ้าค่ะปกติก็ดูกายดูใจอะค่ะแล้วก็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 พออีกสักครู่หนึ่งอะค่ะก็จะเห็นคิดคิดคิดคิดค่ะแล้วก็อีกพักหนึ่งจิตก็มองแล้วก็ดูอย่างนั้นไปเรื่อยๆดูดูอย่างนั้นก็ดีนะแต่ว่าจิตนขาดความตั้งมั่นเวลาเห็นมันไหลๆเนี่ยจิตปลอยไหลไปด้วยะนะอย่าให้จิตไหลาตามไปจิตของคุณมันอ่อนมันไม่ตั้งมั่นนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นจิตไหลไฟรู้ทันว่าจิตไหลนะเราอย่าไหลตามนะเราดูไป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 อาหา<ะ>ัดฝึกไปเรื่อยรู้ทันจิตไปเรื่อยต่อไปจิตมันเข้าไปจับอะไรเราก็เห็นนะจิตมันปล่อยออกมาเราก็เห็นนะจะ<ข>เห็นเองนี่ยค่ะแล้วเมื่อเห็นตรงนั้นแล้วแล้วอันนั้นเนี่ยมันเกิดเป็นอกุศลขึ้นมาเออเราก็กเห็นนะอกุศลเกิดแล้วก็ดับก<ข>ุศลเกิดแล้วก็ดับจิตไปจับอารมณ์อย่างนี้เป็นอกุศลจิตไปจับอารมณ์ันนี้เป็นกุศลก็ได้เหมือนกันนะแล้วเมื่อเห็นกิเลสตรงนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยอถ้าเรา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 สมาธิอ่อนไปไหมคะหลวงพ่อคะสมาธิต้องทําทุกวันแหละนะทําไหว้พระสวดมนต์อะไรอย่างน้อยก็ได้สมาธิแล้วนะหายใจพุโทโธไปอะไรอย่างนี้ก็ได้สมาธิแล้วนิวรอยังครอบงำอยู่เลยคะ่ะหลวงพ่อคะ่ะครอบแน่นอนแหละธรรมดานี่นะครับขอบพระคุณคะ่ะธรรมดานะนิวรครอบเป็นเรื่องปกติแล้วก็มีสติรู้ทันเอาเดี๋ยววันหนึ่งนะั่งก็พ้นมันค่ะกรามนวัตสการหลวงพ่อนะเจ้าค่ะ เป็นคนนั่งสมาธิอะไรไม่เป็นนะเจ้าค่ะก็สวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมในในรูปแบบเคยเห็นกายทำงานได้เองเวลาเดินจงกรมก็จะเห็นรูปนี้เดินแล้วในชีวิตประจาวันก็จะเห็นเหมือนเห็นตัวเองแวบบว่ามันไม่ใช่เราบ่อยๆใช่นั่นแหละดีเคยเห็นการเกิดดับภายในอยู่ครั้งหนึ่งนะคะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรเข้าใจว่าก็คือสัมติงที่หลวงพ่อพูดเออจะกรอบกาบขอความเมตตาหลวงพ่อเจ้าค่ะว่า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 สตาร์ทในจุดที่พอทําได้นะแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเพราะมันเห็นประโยชน์อย่างนี้จะง่ายทําทุกวันนะในรูปแบบอย่างน้อย15นาที10นาทีอะไรเนี่ยทำกราบนมัสการคร่ะหลวงพ่อผมฟังซีดีหลวงพ่อประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็เมื่อต้นเดือนได้ 2, 2, 2> อเดือนหรือ2อ เ, เดือนอ ค, ครับสเดือนสองเดือนทําได้ขนาดนี้แล้วก็ไปปฏิเดชในรูปแบบเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับผมมีคําถามขอเรียนถามหลวงพ่อสข้อ ข้อแรกก็คือผมปฏิบัติถูกทางหรือเปล่าถูกข้อที่2ก็คือว่าจิตผมตื่นหรือยังครับตื่นครับข้อที่สามฮะคืออยากจะทราบว่าสภาวะตอนที่ผมปฏิบัติในรูปแบบเมื่อต้นเดือนกับสภ า, าวะลักษณะหลังจากที่ออกจากปฏิบัติมาแล้วเนี่ยผมควรจะรักษาจิตในลักษณะแบบไหนมากกว่ากันครับทำอย่างที่ทำอยู่นี่ทำอยู่ตอนเนี้จเจริญอยู่นะครัทำต่อไปอีกคือไม่ตึงเกินไปใช่ไหมไม่ตึงนะ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 ถ้าลดออกมาแล้วมันไปร้ารานชาวบ้านเวันเราถือต้องมีศีลเพราะเราจะไม่เก็บกดทางใจนะอะต่อไปหมดยังนรัตศัการหลวงพ่อครับครับคือเวลาที่ความรู้สึกโกรธมาครับก็ก็คือรู้นะครับแล้วก็นั่งนิ่งๆดูดูชะาวะมาอะไรอะไรโกรดนะเวลาที่ความรู้สึกโกรธมาครับโกรธก็ครับ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 มองเขาเา เ, ขาเป็นอย่างนี้นะเ ข, เขาดีอย่างนี้หรือมองคนอื่นด้วยความรักความสงสารมากขึ้นอะไรเงี้ยน ะ, นะพอใจเรามีเมตตามากขึ้ น, นสมาธิจะเกิดของคุณจเจริญเมตตาไว้น ะ, นะไปทำอย่างอื่นไม่ลงง่ายหรอกครับขอบคุณครับต่อไปกับนันทส ก, การของพ่อครับคือเมื่อสุก10เดือนที่แล้วผมเริ่มดูกายผ่านมา5เดือนก็หลุดที่เคยติดเพ่งอยู่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 เป็นยังไงก็รู้ไปไม่ไม่ถือว่าเป็นการเคลิมใช่ไหมเจ้าคะ เ, เวลาจิตจะรวมนะบางทีมันตัดกระแสการรับรู้ภายนอกนะแต่ว่าไม่ขาดสตินะไม่ขาดเออรู้ตัวอยู่ตะลอดมันจะรู้ตัวแบบเบาๆอ่ะเออรู้เบาๆรู้สบายๆรู้กันหนุ่มกระหนิงเจ้าค่ะแล้วของคุณนะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นเจ้าค่ะเบาไปตอนอยู่ในเอลียบทสี่นี่เบาไปแล้วเจ้าค่ะขนาดนี้จิตใจรู้สึกไหมล่องลอยไป รู้ตัวให้กระชับกระเฉงกว่านี้หให้แรงกว่านี้นิดหนึง่งแต่ไม่ใช่เพ่งแรงๆรงเครียด น, นะตอนนี้เบาเกินไป <Okay. S 2> มันล่องลอยไปแล้วแล้วขณะที่โยมนั่งสมาธิที่มีสติแล้วมันเบาๆคเคลิม้มหรืออะไรนี่ทําถูกก็ยังเจ้าคะเคลิม้มแต่เคลิ้มมีสติอะเจ้าคะแล้เคลิมมีสติได้นะแต่พอออกมาแล้วก็ต้องเลิกเคลิ้มนะเนี่ยมันติดไอ้เคลิมนั้นออกมาอยู่ข้างนอกนี่นะนึกออกไหมมันไปติดไอ้ความรู้สึกเคลิ้มๆมาอยู่ข้างนอกนี้ด้วยอย่าเาไว้นะทิ้งมันไป รู้สึกตัวให้ชัด ๆ, ๆขึ้นมาแต่แต ร, รู้สึกตัวต้องเข้มแข็งเจ้าค่ะนะแต่อีกเรื่องหนึ่งค่ะขณะที่ที่เราเราอยู่ในอิริยาบท4ี่นี้เนี่ยเราเราจะเข้าใจในสภาวะธรรมที่มั น, ท, มนที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่เข้ามาและสุขท้ายลงลความสเก็ไหมจิตถลำไปหมดละจิตไม่ตั้งมั่นหลืออกไหมตัวนี้เราคือปัญหาของคุณ รู้สึกไหมตอนที่เล่าๆๆๆจิตไหลๆหลไปแล้วเราลืมตัวตัวนี้แหละคือปัญหาของคุณจาไม่นะคือจิตไม่มีแรงที่จะตั้งมั่นอยู่จิตมันไหลเคลิ้มไปเรื่อยแบบนี้เราจะแก้ยังไงเจ้าค่ะรู้ทันมันไวๆอย่าตามใจมันของคุณพอใจที่จะไหลด้วยไหลไปแล้วเออเอ็นจอยดีอะไรๆไม่ได้นะต้องรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นมาอย่าให้ไหลไปอ่ะต่อไปพานมสการค่ะ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 ถ้าบังคับเมื่อไหร่ใจจะแน่นถ้าแน่นๆนั่นก็หยุดเลยทําผิดละแล้วหลังจากนั้นมันก็จะไม่เป็นกลางอะคะอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางใช้ได้เรามันก็จะฟุ้งซ่านไปเลยฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่า น, ออนเวียอยู่อย่างนั้นนะคะถ้าถ้าฟุ้งซ่านมากดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วบริกรรมไว้ก็ได้พุทโธธรรมโมสังโฆอะไรก็ได้นะให้ใจมีเครื่องอยู่มันจะสงบลงมาค่ะแล้วอยากจะถามว่าการที่เราฝึกแยกแยกกายแยกจิตอย่างนี้ค่ะมัน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 ก็กลับไปก็ลองดูความรู้สึกก็รู้สึกว่าแบบบางวันก็โกรธบางวันก็พอใจไม่พอใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาบางทีอย่างสมมุติมีคนพูดอะไรไม่ดีค่ะเราก็รู้สึกแบบโกรธขึ้นมาแล้วบางที<ม>อยากจะพูดหรือเถียงเงี้ยค<ม>่ะมันก็จะแบบหยุดแล้วก็จะแบบนี่แหละ ร, รู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆนะมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธ<ฮ>มันอยากจะเถียงรู้ว่าอยากเถียงมันอยากด่ารู้ว่าอยากด่านี่รู้ทันมันด้ยดูมันทํางานเหมือนเห็นคนอื่นเหมือนเห็นคนอื่นกําลังโกรธ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 สาเส้นกาลละนานเทินเยถาวาริวะหาปุราปริปูเรนตีสาคขรางเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกระปติอิชิตตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติลาโสยถาสัพพิติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตู